ถึงเรื่องราวของความเชื่อตามตำนานนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อของคนทางภาคอีสานกันค่ะปู่สังกษาย่าสังกสีตามตำนานความเชื่อของชาวอีสานสมัยก่อนก็คือผีบรรพบุรุษผู้สร้างโลกให้กำเนิดลูกหลานมนุษย์ทั้งหลายขึ้นมาแล้วก็เชื่อนะคะว่าตัวเองเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากต้นบนรรพบุรุษนี้ ก็เลยเรียกว่าปู่และก็ย่าซึ่งความจริงปู่สังกษาย่าสังกสีตามความเชื่อแล้วจัดเป็นเทพค่ะไม่ใช่ผีแต่ว่าเมื่อเรามองไม่เห็นและน่าจะตายไปนานแล้วก็เลยเรียกว่าผีหรือว่าสังค่ะเมื่อเราจะพูดถึงคนที่ตายไปแล้วเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเน่ว่าตายแล้วแล้วก็เพื่อเป็นการให้เกียรตินะคะก็มักจะมีคานาหน้าว่าสังเสมอนะคะ คุณผู้ฟังคะคํานําหน้าว่าสังเนี่ยหรือว่าสางเช่นสังพ่อใหญ่ลีสังบักลาสังอิลุนประมาณนี้นะคะก็จะเป็นการให้เกียรติว่าผู้นี้ได้ตายไปแล้วนับแต่เด็กก็มักจะได้ยินนิทานดึกดําบันเรื่องปู่สังกษาย่าสังกสีนี้เล่าสืบทอดกันมาจากคนแก่สู่เด็กรุ่นแล้วรุ่นเล่าเมื่อครั้งดึกดําบันย้อนหลังกลับไปนานโขชนิดที่ว่านับตัวเลขไม่ได้ครั้งนั้นสรรพสิ่งว่างเปล่า ไม่มีโลกไม่มีดวงดาวไม่มีวัตถุที่เป็นรูปเป็นร่างมีแสงก็ไม่เห็นว่าเป็นแสงธาตุสี่ปัทวีอโปวาโยแล้วก็เตโชมีอยู่บางเบากระจัดกระจายค่ะไม่แสดงความเป็นธาตุของตนได้อย่างชัดเจนความว่างเปล่าหมุนวนนานตรับนานแต่ว่าต่อมานะคะกลุ่มธาตุต่างๆก็เริ่มถูกหมุนวนเวียนค่อยๆหลอมรวมเข้าด้วยกันเกิดเป็นธาตุสี่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เตโชาธาตหลอมรวมกันทำให้วงอากาศมีจุดที่เย็นร้อนต่างกันจุดที่เย็นก็จะผลักดันจุดที่ร้อนก็จะดึงดูดนะคะวายโอธาตหลอมรวมกันแล้วก็เคลื่อนที่จากจุดที่เย็นกว่าเข้าหาจุดที่ร้อนกว่าก็เลยกลายเป็นลม อโปธาดรวมกันได้มากขึ้นกลายเป็นไอเมฆหมอกลอยเคว้งคว้างอยู่ในอากาศเคลื่อนที่ไปมาตามแรงลมตราบนานเท่านานจนไอเมฆหมอกหลอมรวมรับเอาสิ่งที่เหมือนตนสะสมมากขึ้นในที่สุดก็กลายเป็นน้ําเป็นห่วงน้ําใหญ่ในอากาศเสมือนว่าเป็นมหาสมุทรในอากาศค่ะหรือว่ามหาสมุทรนั้นลอยไปมาอยู่ในอากาศตราบนานเท่านาน ปัทวีธาตุอันเกิดจากเศษซากส่วนเหลือที่ธาตุอื่นๆสลัดทิ้งมีกระจัดกระจายแล้วก็รวมตัวกันหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆค่ะเกิดเป็นวัตถุที่มีความแข็งกระด้างก้อนเล็กๆแล้วก็เมื่อรวมก้อนโตขึ้นอีกวัตถุนั้นก็ได้แยกจากกันเป็นสองส่วนเพราะว่าแรงลมและก็แรงผลักดันแห่งเตโชธาตุฝ่ายเย็นวัตถุทั้งสองส่วนได้ลอยอยู่กลางมหาสมุทรห่างกันออกไปเคว้งคว้าง พร้อมๆกับดึงดูดเอามวลสารมารวบรวมไว้แล้วก็ทําให้วัตถุนั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นแผ่นดินหรือว่าปัตวีลอยไปลอยมากลางมหาสมุทรแผ่นดินทั้งสองผืนก็ค่อยๆสะสมเป็นรูปร่างให้ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจากนั้นนะคะด้วยความสมดุลแห่งธาตุต่างๆก็ได้ก่อกําเนิดพืชพันธุ์เกิดต้นไม้และแล้วที่แผ่นดินผืนหนึ่งมนุษย์คนแรกก็ได้ถือกําเนิดจากขี้ตมปวกหรือก้อนเศษตะไคร่น้ํา ที่สะสมเป็นมวลสารมากมายมีเพศเป็นชายชื่อว่ากายะสาซึ่งต่อมาเราก็เรียกว่าสังกษานะคะและแผ่นดินอีกผืนหนึ่งค่ะก็เกิดเป็นมนุษย์เพศหญิงจากขี้ตมปวกเช่นเดียวกันชื่อว่ากายะศรีหรือต่อมาเราเรียกว่าสังกศีนะคะการต่อมาลมได้พัดพาแผ่นดินสองผืนลอยมาพบแล้วก็บรรจบกัน ทำให้สังไกาสาและสังกายศีได้พบกันพูดคุยกันต่อมาก็ได้สังวาดกันแล้วก็ได้กำเนิดมนุษย์ลูกหลานชายหญิงมามากมาย ลูกหลานปู่สังไกษายา่ยาสังกายาสีก็จับคู่สมรสสมสู่กันมนุษย์ทั้งหลายจึงเกิดมามีมากมายทวีคูณขึ้นเรื่อยๆและด้วยกิเลสตัณหาที่มีพอกพูณขึ้นนั้นทำให้ต่อมาก็มีโรคภัยมาเบียดเบียนกายมีชาราแล้วก็มีมรณะนะคะแม้ว่าปู่สังกษาแล้วก็ย่าสังกยสีเองก็มรณะเช่นเดียวกันค่ะ ขอเดา ว, ว่าตำนานแบบที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะงงค่ะสำหรับหลายท่านเนื่องจากว่าแบบภาษาโบราณฉะนั้นก็เลยจะขอเล่าใหม่แล้วก็เล่าในตำนานฉบับยาวอย่างไรก็ตามชื่อว่าตำนานนี้ เป็นตำนานความเชื่อโบราณที่ถูกเอามาผสมแล้วก็ดัดแปลงแล้วนะคะตามแบบฉบับของศาสนาผสมที่ต้องมีการถูกศาสนาใหม่เอามาผสมแล้วก็กดทับตำนานแบบศาสนาผสมเป็นดังนี้ค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้เกิดแผ่นดินแล้วก็สิ่งมีชีวิตขึ้นในโลกนี้มีทั้งนรกเอเวจีครุฑนาฏ เทวดาพระอินทร์พระพรหมและพระอาทิตย์พระจันทร์แต่ว่ายังไม่มีแสงส่องพื้นโลกได้บังเกิดมีอากาศแปรปรวนมืดมัวค่ะนานเข้าก็บังเกิดเป็นเมฆเป็นควันลอยอยู่ในอากาศมีลมแรงพัดเมฆควันลอยไปมาเข้งคว้างไปทางเหนือทีหนึง่งแล้วก็ลอยมาทางใต้อีกทีหนึ่งนะคะเป็นอย่างนั้นอยู่นานแสนนานจึงได้บังเกิดเป็นน้ํามหาสมุทรซึ่งในคำภีร์เรียกว่าปัตถมมูลหรือว่าปฐมกัพ ก่อนที่จะมีปลาอานน์หนุนแผ่นดินนั้นมีเพียงมหาสมุทรลอยไปมาอยู่ในอากาศลมพัดลอยเคว้งคว้างไปมาหาทิศทางไม่ได้ลมพัดน้ำอยู่นานเกิดเป็นแผ่นดินเล็กๆซึ่งก็มีชื่อเรียกตามความเชื่อของคนอีสานสมัยก่อนนะคะบอกว่าแผ่นดินเท่าหอยไก่ต้นไม้เท่าลาเทียนนะคะซึ่งเป็นภาษาอีสานก็หมายถึงแผ่นดินเท่ากับรอยไก่ ส่วนต้นไม้เนี่ยก็เท่ากันกับลำเทียนค่ะลมพัดจนแผ่นดินเล็กๆนี้แยกออกเป็นสองส่วนลอยไปในมหาสมุทรล่วงเวลาต่อมาอีกนานแผ่นดินทั้งสองก็เริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นก็บังเกิดมนุษย์ผู้ชายอยู่บนแผ่นดินหนึ่งชื่อว่าปู่สังกยสาแล้วก็เกิดมนุษย์ผู้หญิงอีกแผ่นดินหนึ่งชื่อว่าย่าสังกศรี มนุษย์คู่แรกสองคนนี้นะคะเกิดการรวมตัวของสสารสิ่งต่างๆปั้นรูปสัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆมนุษย์คู่แรกทั้งสองนี้ได้สร้างสารรค์สิ่งนี้ขึ้นในโลกอยู่ต่อมาค่ะก็เกิดลมพายุพัดพาแผ่นดินทั้งสองลอยไปตามน้ำมาพบกัน ปู่สังกยาสาย่าสังกยาศีก็ได้พูดคุยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วจึงคิดจะสร้างมนุษย์ชายหญิงเพิ่มเติมเพราะรู้นะค่ะว่าการที่มีผู้คนมากๆเนี่ยมันจะสนุกสนานกว่าการที่อยู่คนเดียวเหมือนแต่ก่อนที่แผ่นดินยังแยกกันมนุษย์ชายหญิงที่ปู่สังกยศสาย่าสังกยาศีสร้างขึ้นมามากมายรวมกันอยู่ ครั้นหยุดรวมกันนานวันข้าวธรรมชาติก็ดนใจหาให้เกิดตัณหาเกิดกิเลสแก่มนุษย์ทั้งหลายคนที่มีตัณหาก็สมสู่กันก็เลยมีลูกหลานสืบต่อกันมาเพราะว่ามีตัณหาสมสู่กันมนุษย์ที่ปู่สังกยสาย่าสั่งกายสีสร้างมานั้นจึงมีรูปร่างเปลี่ยนเป็นแก่ชราและมนุษย์ชายหญิงที่ยิ่งมากทวีคูณสืบมาทุกวันนี้ในตำนานยังเล่านะคะถึงการสร้างโลกสร้างจั ก, กรวาลของปู่ย่าทั้งสองนี้ว่า ครั้งสร้างมนุษย์ชายหญิงแล้วปู่ย่าทั้งสองเนี่ยเขาก็ได้สร้างเขาพระสุเมนเป็นแกนกลางของจักรวาลอุตรากุรุธทธวีปนะคะแล้วก็มีบอนพระวิเทหะทวีปแล้วก็มีอมรโคยานัททวีปค่ะอยู่ทั้งสี่ทิศของเขาพระสุเมนสร้างเขาสัตพันธ์คีรีเจ็เทือกเขาล้อมรอบเขาพระสุเมนก็จะมีเนมินทร มียุคธรมีอิสินธรมีกรดวิกมีสุทัศน์มีอัศการแล้วก็มีวิตตกคีรีค่ะมีแม่น้ําล้อมรอบเข่าทั้ง7ก็คาดว่าน่าจะเป็นทะเลสีทันดร น, นะคะหลังจากนั้นก็ให้พระอาทิตย์และก็พระจันทร์ส่องแสงแล้วก็เดินรอบจักรวาลทวีปทั้ง4ี่ก็ได้รับแสงอาทิตย์โดยครบถ้วนแล้วก็เลยเกิดราศี12ราศีแล้วก็ฤดูทั้ง3มีพระอาทิตย์เป็นตาโลกมาตั้งแต่ปฐมกัล ชักรถผ่านเขาพระสุเมนผ่านจักราวาลโดยรอบแล้วก็เดินเร็วกว่าพระจันทร์ด้วยเหตุนี้นะคะเหตุที่ว่าพระอาทิตย์เดินเร็วกว่าพระจันทร์เนี่ยแหละค่ะพระจันทร์ก็เลยถูกพระอาทิตย์เนี่ยบังแสงเกิดเป็นเดือนดับนะคะแล้วก็หากพระอาทิตย์ไม่บังแสงจันทร์ก็จะเกิดเป็นเดือนเพน น้ำชมพูทวีปที่เชิงเขาพระสุเมนค่ะก็จะมีน้ำไหลออกมาสี่ทางคือทางปากราชสีทางปากส้างแก้วทางปากมา้าแล้วก็ทางปากวัวอุสุพราชไหลรอบเขาพระสุเมนออกมาผ่านโขดหินภูผาจนมาเป็นแม่น้ำมูลแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำอโนมามีสระอโนดาดน้ำใสสะอาดเลยละค่ะพื้นที่ทรายเงินทรายทองริมท่าน้า ปุสังกัจสาย่าสังกยจีก็ได้ตกแต่งเป็นที่บําเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระปัจเจกพุทโธพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แต่ว่าไม่ได้ตั้งตนเป็นาศาสดาสั่งสอนพระธรรมนั่นคือพระปัจเจกพุทโธนะคะแล้วก็พวกพระฤาษีค่ะหนะ้าที่แห่งนั้นก็ได้เกิดดอกไม้งามสะพรัง่งบริเวณฝั่งน้ำทางแม่น้ำคงคาย ม, มุนาอาจิรวดีสรภูมหิมหาสาครเรศ น้ำก็ไหลเรื่อยต่อไปแผ่กว้างสาขาอยู่ในชมพูทวีปมีแม่น้ำของหรือว่าแม่น้ำโขงค่ะเป็นเขาในภาคพื้นชมพูทวีปแล้วก็มีเกาะลังกาอยู่ฟากน้ําปู่สังกยสาญาสังกยาศีก็เป็นสามีภรรยาที่สร้างสรรพสิ่งในโลกแล้วก็ได้สั่งสอนให้มนุษย์โลกตั้งตนอยู่ในศีลสร้างกุศลบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญภาวนานะคะเพื่อจะได้ไปเกิดในสวรรค์ หากว่าใครอยากจะไปเกิดอยู่ในนรกอเวจี v G, ก็ให้สร้างเวนสร้างกรรมจะได้จมอยู่ใต้นรกอเวจี v G. ว่าไปแล้วก็อาจจะกล่าวได้นะคะว่าปู่สังกัยสาญาสังกยศีก็คือตำนานเรื่องอดัมกับอีฟฉบับภาคอีสานนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปู่สังกสาญาสังกยศีนะคะแต่ว่าณนะปัจจุบันก็เพี้ยนออกมาเป็น ปู่สังกษาย่าสังกสีอย่างที่เราๆท่านๆได้ยินได้ฟังคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าเล่าให้ฟังมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วล่ะค่ะขอบคุณที่ไปที่มาจากคุณสินชัยเชาวเจริญรัต ด, ด้วยนะคะนในๆวันนี้เราก็ยังคงวนเวียนอยู่แถบภาคอีสานค่ะเราก็มาอีกหนึ่งตำนานความเชื่อของทางภาคอีสานกันนั่นคือตำนานรักขูลูนางอ้ว ดอกนางอั้วขึ้นที่ใดที่นั่นก็จะมีดอกขู่ลูอยู่เสมอนะคะวรรณกรรมพื้นบ้านอีสานเรื่องนี้อาจจะมีการเล่าแตกต่างกันไปได้ในแต่ละท้องถิ่นเป็นตำนานรักเศร้าระหว่างเท้าขู่ลูกับนางอัว้วความซึง้งรันทดของตำนานก็ได้ทําให้ชื่อของทั้งคู่กลายมาเป็นชื่อของกล้วยไม้ป่าที่เร้นลับหายากแล้วก็เชื่อกันเขาว่ามีดอกนางอั้วขึ้นที่ใดที่นั่นก็จะมีขู่ลูเกิดขึ้นในบริเวณเดียวกันอยู่เสมอ ไปกันที่ตำนานแรกค่ะว่ากันว่ามีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านโค ก, กงแล้วก็อีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านทุ่งมนสองหมู่บ้านนี้ติดกันรักใคร่สามัคคีกันดีมีเพื่อนหักเพื่อนแพงสองครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสองครอบครัวสัญญากันไว้นะคะว่าถ้าใครมีลูกชายก็จะให้เป็นเพื่อนกันหากอีกฝ่ายหญิงจะให้แต่งงานกันโดย ไ, ดไม่มีเงื่อนขไขใดใทั้ทงสิ้นนะคะ วันนึงฝ่ายนางกาสีอยู่บ้านโคโกงซึ่งมีสวนส้มกําลังสุกเลื้ยงเลยแหละค่ะส่วนฝ่ายบ้านทุ่งมนเกิดอยากกินผลส้มก็เลยชวนพวกมาขอผลส้มกินแต่ว่านางกาสีนี่ห่วงไม่ยอมยกให้จนเกิดผิดใจกันระหว่างเพื่อนก็เลยเลิกคบค้ากันขนาดว่าไม่ให้ลูกไม่ให้หลานคบค้าสมาคมกันแล้วก็แค้นใจมาก จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึง18ปีค่ะฝ่ายนางกาสีเนี่ยก็มีลูกชายชื่อว่าขูลูส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็มีลูกสาวชื่อว่านางอ้วทั้งสองเกิดรักใคร่ชอบกันโดยไม่ฟังคำคัดค้านจากฝ่ายพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเลยแม้แต่น้อย พ่อของนางอ้วกกลัวลูกสาวไปปล่อยตัวปล่อยใจจนเกินงามให้กับขุลูก็เลยออกอุบายให้นางอ้วนเนี่ยแต่งงานกับขุนลางหลานเจ้าสัวมหาเศรษฐีปล่อยเงินกู้ผู้กว้างขวางแต่ว่าเป็นมหาเศรษฐีที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนในหมู่บ้านทุ่งมนนะคะวันหนึ่งขุนลางกับน้าชายได้ทวงเรื่องหนี้สินที่พ่อนางอ้วกเคยหยิบยืมไปแต่ก็ไม่มีให้ในที่สุด น้าชายของขุนลางก็เลยบังคับค่ะให้นางอั้วนเนี่ยแต่งงานเพื่อชดใช้นี่แต่ว่านางอั้วนี่ไม่ยินยอมเพราะว่ามีใจให้กับขูลูอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจในคืนก่อนเข้าพิธีแต่งงาน1วันกับขุนลางมอบกายให้กับขูลูจากนั้นก็ตัดสินใจผูกคอตายพ่อขูลูรู้ข่าวการตายค่ะก็เลยใช้มีดแทงตัวเองตายตามนางอั้วไปในที่สุดนะคะส่วนอีกตํานานบทที่2นะคะตามความเชื่อ บอกว่าเท้าขูลูเนี่ยเป็นโอรสเมืองกาสีส่วนนางอ้วกเขียมเป็นทิดาของเมืองกายนครพระมานดาของทั้งสองเมืองเป็นเพื่อนกันและได้ให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าฝ่ายใดได้ลูกชายลูกสาวก็จะยกให้แต่งงานกันเท้าขูลูกับนางอ้วเขียมเกิดปีเดียวกันค่ะและเมื่อเจริญเติบโตนางอ้วเขียมมีความงดงามมากจนเล่าลือไปถึงขุนลางซึ่งเป็นเจ้าเมืองของภูเขากํา เป็นชนเผ่าที่ยังไม่ค่อยเจริญนะคะต่อมาเมื่อนาท้าขูลูเจริญวัยอยากมีคู่ครองก็ลามารดาเมืองกายรนครแล้วก็ได้มีใจต่อนางอ้วเขียมเท้าขูลูประทับอยู่เมืองกายรนครระยะหนึ่งก็ลากลับเมืองเพื่อส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอ ขุนลางหัวหน้าเผ่าชนภูเขาก็ได้ส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอนางอ้วกเขียมเช่นกันพระมารดาของนางอ้วกเขี่ยมก็ได้รับปากขุนลางเป็นเพราะว่านางเองก็ไม่พอใจกับมารดาของเท้าขูลูซึ่งเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะคะส่วนสาเหตุของความไม่พอใจเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อสมัยครั้งตั้งคันนางอ้วเขียมนางได้ไปเที่ยวที่อุทยานเมืองอากาสี เมื่อเห็นผลส้มเกลี้ยงนี่ก็เกิดอยากกินค่ะแต่ว่ามารดาของเท้าขูลูเนี่ยไม่ให้บอกว่าส้มเกลี้ยงนี่ยังไม่สุกดีก็เลยทําให้นางน้อยใจนี่ยตัดความเป็นเพื่อนกันนางอ้วเขียมทราบนะคะว่ามารดารับปากการสู่ขอของขุนลางนางก็เสียอกเสียใจแล้วก็ไม่ยอมรับฝ่ายเท้าขูลูก็ได้บอกบิดามารดานะคะว่ามาสู่ขอนางอ้วเขียมแม่สื่อของขูลูนําสินสอดมาสู่ขอครั้งแรก มานดาของนางอั้วเขียมไม่ยอมตกลงแล้วก็อ้างว่าได้ตกลงกับขุนลางไว้ก่อนแล้วเท้าขูลูก็ขอให้แม่สื่อมาขอนางอ้วเขียมอีกครั้งและได้พูดทวงสัญญาคำมั่นที่จะให้บุตรธิดาอภิเสกสมรสกันแต่ว่ามารดานางอ้วเขียมเนี่ยได้กล่าวถึงความกโกรธเมื่อครั้งส้มเกลี้ยงจึงคืนสัญญาทั้งหมดค่ะเมื่อจนหนทางมารดาเท้าขูลูจึงอ้อนวอนขอให้ทําพิธีเสียงสายแนน คำว่าเสียงสายแนนหมายถึงการทำพิธีเสียงทายด้วยรกห่อหุ้มทารกแรกเกิดนะคะว่าเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่ผลการเสียงทายค่ะได้ผลออกมาว่าสายแนนของทั้งสองคนนั้นเกี่ยวพันกันดีอยู่ในตอนต้นแต่ว่าตอนปลายยอดด้วนแล้วก็แยกออกจากกันนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าเป็นเนื้อคู่กันแต่จะอยู่ด้วยกันไม่ยืดยาวแต่แล้วก็ต้องพลัดพรากจากกันไปในที่สุดนะคะ โดยบอกกับทั้งสองต้องตายจากกัน ฝ่ายเท้าขูลูเนี่ยก็เลยต้องจำใจให้ยกทัพกลับเมืองไปฝ่ายขุนลางก็ส่งคนมาท้าทามเพื่อกำหนดวันอภิเษกเมื่อข่าวกำหนดวันแต่งงานถึงหูของนางอั้วเขียมนะคะก็เลยทําให้นางเนี่ยเศร้าโศกเสียใจนางก็เลยสั่งนางทาสาไปเชิญเท้าขูลูมาพบนางฝ่ายมานดานางอั้วเขียมทราบว่าทิดาได้รักรอบพบ ก, กันกับเท้าขูลูที่สวนอุทยานนางโกรธมากจึงด่าว่านางอั้วเขียมเนี่ยไปเล่นชู้นางเสียใจมาก จึงผูกคอตายที่อุทยานเมื่อความทราบถึงเจ้าเมืองและก็พระมารดาต่างก็เสียพระทยัยแล้วก็นำพระศพเข้าเมืองเพื่อบำเพ็ญกุศลค่ะส่วนขุนลางนะคะมาพบเห็นเข้าก็เสียใจแล้วก็เสียดายในตัวนางอ้วเหมือนกันก็พลันเกิดธรณีสูบร่างเพราะว่าเป็นคนใจบาปสร้างกรรมชั่วเอาไว้มาก ฝ่ายเท้าขุลูเมื่อทราบการตายของนางอ้วเขียมในระหว่างยกทัพกลับก็เกิดเสียใจก็เลยคว้ามีดแทงคอตัวเองตายสุดท้ายนะคะวิญญาณของสองหนุ่มสาวก็ได้ไปพบกันที่สวรรค์นั่นเองค่ะ หมดเวลาสำหรับเรื่องราวดีๆประจําวันนี้แล้วนะคะขอพระคุณสําหรับการติดตามรับฟังหากว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องพระเจอผีด้วยเดี๋ยวบีเองก็จะไปหาเรื่องราวตํานานความเชื่อตามภาคต่างๆนิทานประําปรลารวมถึงเรื่องลี้ลับเรื่องเกี่ยวกับพระทุดงมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยด้วยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ